เทศอบรมพระวันที่15กันยายน2521เผ็ดร้อนปลุกใจดีมากความสุขความทุกข์อันแท้จริงอยู่ที่ใจอย่าพากันตะครุบเงาของกิเลสด้วยการเรียนเป็นความจำมาถกเถียงกันเปล่าๆศาสานาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาน้ำลาย จงปฏิบัติให้ถึงความจริงของธรรมจะได้หายสงสัยมีจิตมีรูปอยู่ในนี้ด้วยห้ามฟังอัดออกภายนอกผู้ปฏิบัติจริงก็ฟังอัดได้กันนี้ราวยี่สิบกว่านาทีจากนั้นก็พูดธรรมะต่างๆพูดเรื่องจิตเสื่อมเป็นมหันตทุกมากพูดเกือบสุดเทพเป็นคติดีมาก เข้าเป็นเต็มคุมแล้วบรมสุขการปฏิบัติอบรมเราที่ใจกําลังถูกกระเทาะโดยเจดิตทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, นั่งอนทุกขณะจิตกิจศีลถ้ามันมีแต่มีแต่ไข้แผลเปียวที่หลักรวายังไม่เจ็บไม่หลับ ก, กันแล้วเราจะเจ็บหลักที่ไหนความทุกข์มันอยู่ที่ไหนอย่าพระพุทธเจ้าสอนนอาความทุกข์อยู่ในสถานที่ใดความสุขอยู่ในสถานที่ใด ถ้าสายดินผ้าอากาศอาหารการดูดซึมก็เพียงพอประมาณเฉะนั้นหลักใหญ่ต้องใจเป็นทุกข์ใจเป็นสุขเพราะฉะนั้นการสอนจึงสอนลงในหลักใหญ่และแต่ใจเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อตนเองแก้ไขดัดแปลงจิตใจให้เปลนไเพื่อถูกทางเมื่อความรบเย็นก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับกันมาท่านสอนโดยถูกต้องที่สุดหาที่แย้งไม่ไดอาปฏิฏฐาตไปด้ จะฆ่าภูมิปัญญาได้ถึงตรงไหนต้องัดปฏิบัติอย่าเรียนอย่าเอาความจำมาฝุกมาเสียงมารบรากันด้วยน้ําลายศาสนาวิทธไม่ใช่ศาสนาน้ําลายปรยาาิยัดคือการที่เราเรียนเพื่อปฏิบัติหนะักต่างๆเรียนรู้เรื่องของกิเลสปัญหาอว่ า, า ร, รู้วิธีการแล้วพยายามปฏิบัติตามเรียกว่าปฏิบัติการปฏิบตัติได้ผลมากน้อ ย, ยกับปฏิยาะค่อยรู้แจ้ง แต่โดยลําดับลำดั บ, ดบตามหลักความจริงจนกระทั่งรู้แจ้งแกงสลับในความจริงทั้งหลายฉันเรียกว่าสัจธรรมโดยที่ตรงนี้เรายังไม่ทราบาศาสนาให้ความร่มเย็นแก่โลกลอยู่หรือไม่ทราาศาสนาความร่มเย็นแก่เราอยู่หรือเรายังไม่ยอมรับความร่มเย็นจากศาสนาเรายอมรับแต่ความร่มร้อนกับเรื่องกิเลสมาเป็นเวานานๆแล้วเราไม่เป็นหลักเหรือเราคิดสิปัญญามีต้องคิดเรื่องแบบนี้ พูดจะเอาตัวรอต้องใช้บัญญาที่แปลงเปลี่ยนแปลหลายสรนหลายขคมไม่รั้นไม่ท well ันคนปัญาของกิเลพระพุทธเจ้าไม่ น, น, people, น pandemia, จะเป็นคนโง่สาวกทั้งหลายมันจะเป็นคนโง่ฉลาดจอมปากก็คือพระพุทธเจ้าลองลองเอามาก็คือภาษาวลกงหลายเราจริงๆไม่ใช่โง่อยู่หรืมใครที่พ้นจากทุกข์ไปได้ในบรรดาสัตว์โลกในสามภพนี้นอนตายกองกันอยู่ในทุกข์พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านผ่านพ้นไปได้ใครจะว่าใครฉลาดใครจะว่าใครโง่เอามาเทียบเทียมกันสิ แล้วคำสอนวิธีหรืออุบายวิธีการาต่างๆไทยเยี่ยมอุบายวิธีสอนนี้ที่เรียกว่าเป็นนิยาณนี่ก็ทำนันสัตว์ในพนจากทุกข์ก็เนื่องมาจากส่วนคารธรรมที่รกราบได้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดไม่เที้ยนไม่เปลี่ยนตามการตามดูตามฐานที่อะไรอะไทั้งนั้นเพราะกิเลสมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันไปกิเลสจะตายตัวความโลภ ก, ก็ตายตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรความโกรธความหลงราคะ่าตัณห า, ม, า ม, มันเป็นของตายตัวและฝังอยู่ภายในจิต อาพระพุทธเจ้าสอนไปทางไหนจะได้เปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงอัตธรรมไปอย่างได้อย่างไรต้องแสดนหลักธรรมให้ถูกต้องแสดงทําให้ถูกต้องตามหลักความจริงนีง่ยใครจะเห็นโทษถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาซึ่งได้ศาสนามาเป็นเครื่องมือใส่กรองพิจารณาตามเรื่องความเป็นโทษเป็นคุณซึ่งมีอยู่กับเราด้วยกันทุกคนเฉพาะอย่างยิ่งมีอยู่กับใจใจเป็นผู้ผิด วัตถจักมันผิดความคิดความปรุงในแง่ต่างๆออกมากระทบอะไรไม่กระทบอะไรไม่สําคัญมันคิดมันปรุงข้างมันอย่นั้นรูปเสียงเสียงลดเครืร่องสัมผัสคําว่ารูปมีกี่ประเภทอเต็มกันดินเสียงก็เหมือนกันแต่พ่ออย่างยิ่งเสียงที่เป็นภัยมากก็คือเสียงมนุษย์อะเอาแค่ข่าแข็งมนุษย์ก็พอนายพระกรรป์ิดกท่านพูดถึงเรื่องนักปฏิบัติ ย, นย่นเข้าไปอีก รูปใดก็ตามน่นไม่ได้เป็นภัยต่อ น, นักอวดยิ่งกว่ารูปหญิงอันงว่าอิทธิรูปัง น, นั่นก็กลายเป็นดเสียงใดก็ตามไม่มีเสียงที่จะเป็นพิษเป็นภัยเสียดแทงก็อะไรพวกหัวใจยิ่งกว่าเสียงอิทธิสัตุนั่นกลิ่นรสความสัมผัสถูกต้องอยู่ในตัวรูปอันนี้ทั้งนั้นนี่เป็นภัยอันดับหนึ่งที่เดียวเท่านั้น นี่ท่านสอนพระรรมดุกย่ยยนสอนที่สุดทั้งหลายดูความที่สุดทั้งหลายให้เสือตถาได้เห็นโทษนี่แล้วสิ่งที่ให้โลกตายของกันเพราะอันนี้เป็นเครื่องร่อหนักทันว่าทำหมดอันนี้แล้วไม่ไม่กลับมาเช่นอย่างพระอนาคามีสําเร็อ จ, จากขั้นนี้แล้วท้าไม่กลับมาเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกันกบผลต้นไม้ที่แตกควรจะสุกเป็นลำพังตนวเองแล้ว ตัดมาโบมก็สุกไปเลยหรือไม่โบมก็สุกไปแม้ต้นไม้ต้นนั้นจะตายจากไปเสียในขณะที่ผลไม้นั้นต้นนั้นมันแก่แล้วมันควรจะถูกตัวบบนำตัวเองเลยแล้วมันก็สุก ข, ของมันได้นะพยานเรื่องพระนาครมีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่เกิดคือเลื่อนไปโดนดับค่อยแก่ก้าบรดนดับเป็นอัตโนมัติของจิตในขั้นนั้นเราอยู่ในโลกนี้เราก็ทราบในขันเราเราก็าทราบจิตเมื่อถึงก้าสึงขั้ น, อ, นอัตโนมัติแล้ว จะไม่ถอยหลังไม่จะมุนติ้วติ้วเป็นอัตโนมัติทั้งตนเองเร็วนลย น, นี่ท่านาอาท่านไม่มา ก, กลับมาเพราะสิ่งทั้งห้านี่ที่กล่าวมาตะกี้นี้ดูยัยงแล้วเครื่องสัมผัสทำมารมปรกับอันนี้แหละกลับห้าอย่างนี้มาบวกเข้าเป็นทำมาลุมก็เป็นอารมณ์ตัวสุดนี้ได้ผ่านกันไปแล้วได้ขาดจากกันัปแล้วท่านจะไม่มีเยื่อยใหญ่ ไม่ต้องกลับมาอีกแล้วนิพพานไปเลยทีเดียวผู้ได้เพียงระดับขัน้นเช่นหลงสอบได้ในระดับสอบได้เช่นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ดไดขั้นได้ไม่กีหมายว่าขั้นนี้จะไม่ไม่กลับแล้วขั้นประอานาคามิพู้ได้หกสิบเอร์ซนเจ็ดเอร์เนแปดสิเปอร์เซ็ตก็แก่กล้าเดินแบบก็เวลาเปลี่ยนภูมิก็เปลี่ยนไปกานท่านอวิหาเป็นท่านต่ำอาตปาอา ต, อา ต, อา ต, อาตปา ท่านถูงเกินไปอวัชชาขั้นที่สามคือท่สีขั้นที่สีอคณิษฐาออกจากนาง ก, ก้าวมี ก, ก้าขึ้นจากอาวิห า, าไปอัตปาเพื่อสาเพื่อสีแล้วก็อคณิษฐาและวรีพผ่านท่านเหล่านี้ไม่กลับมาเพราะมันมีอะไรเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจเราจะเห็นได้าจากการปฏิบัติของเรา เมื่อสิ่งอนนี้หมดไปจากจิตใจแล้วจะไม่มีสิ่งนี้มาดึงดูจิตใจให้หลงให้จมให้กดท่วงให้ทนทุกข์ทรมาณหนึ่งสิ่งที่ฝังจมสิทธิ์คือเรือนนี่แหละทำทำวุ่นวายต่อจิตใจก็อนนี้นาา ก, ก, นนการฝึกปิดเพื่อจะให้เห็นสิ่งนี้ก็ ม, กมันยากที่สุดมันยากอย่ที่จุดนี้ยากมากต้องฝืนถ้ารู้ว่าเป็นสาเหตุแห่งทุกข์แล้วต้องฝืนเหมือนน้ํายอก บนฝาในฝาเท้าของเราเราถอนน้ำออกไม่ได้เราเพราะเราเจ็บคนนั้นต้องยอมตายให้เ้าเปื่อยไปหมดไม่ยอมถอนน้ำเพราะเจ็บความเห็นแก่เจ็บเท่านั้นไมไ่นึกถึงเหตุผลว่าน้ำเมื่อน้ำฝังจมอยู่นั้นมันจะทําอันตรายแกอร่างกายไปได้มากน้อยเพียงไหนจะเกิดความเสียหายเพียงไหนไม่ได้คิดเหตุผลถึงขนาด น, นั้นผู้ที่คิดเหตุผลอย่างนั้นแล้วหนักเบาขนาดไห น, นต้องถอนออกให้ได้ น่าจะผู้มีเหตุผลมันต่างกันว่าเจ็บแล้วก็ดเสียเจ็บแล้วก็หยุดเสียผู้นั้นนะผู้จะได้เจ็บตลอดไปอันนี้ความือนกันการประถัดตัวผลสิทใจเทียงเทียนเหตุเทียนผลเด้เราไม่ต้องไปคํานึงคํานวณว่าเราได้เคยเกิดมาหรือไม่เคยเกิดมาในชาติใดพบใดที่เพิ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวนี้เราจะไปคิดให้เสียเวลา เอาฟาดลงไปเรื่อวามปฏิบัติมีมากน้อยอย่คือเจ้าสอนเลี้ยงด้วยความจริงทุกอย่างเกิดก็เพราะทีเจ้าก็สอนเรื่องความเกิดเหตุสาเหตุให้เกิดคืออะไรพวกทีเจ้าก็สอนแล้วเราสงสัยที่ตรงไห น, นอ่ะอวิชชาปรีรยาสร้างฆาตาราสารา้างฆาตาปียาวิญญาณวิญญาณปียานามรูปังเลื่อยไปเลยจนมาทั้งเป็นรูปนเป็นนาน่นเป็นนั่นนี่เพราะอวิชชาเป็นต้นเหตุเ่ยท่านก็บอกไปแล้วแล้วพิจารณาลงลงไปอวิชชาอยู่ที่ตรงไห น, น มันเป็นการเสียเสมอวิชากับใจเป็นเพื่อนกันอย่างสนิทมิตรสหายอย่างแน่นแฟ้นทีเดียวอไม่สามารถที่จะทราบได้อย่างง่ายาง่ายก็ต้องถากต้องถามเข้าไปหาองค์กษัตริย์เพื่อวิ ช, ชาซึ่งเป็นจอมไตรภพนั่นแหละด้แกวิ ช, ชาพิจ า, ารณาไปถากถามเข้าไปตั้งแต่การพิจารณาหนึ่งทำความสงบใจเวลาจะภาวนาให้ใจสงบเอาสงบให้ได้เราเป็นนักบวชเราเป็นนักปฏิบัติทําไม่ทาใจให้สงบไม่ได้มีอย่างเหรือ มันจะพุ่งไปไหนพุ่งขนาดมันพุ่งขนาดไหนเครื่องมือสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาพยายามความอดทนฟาดกันลงไปทุ้มกันลงไปเราจะ่าไถอยพระพรุทธเจ้าได้สําเร็จมากกว่นิ้พานเพราะทําทเหล่านี้ศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาเนี่เรียกว่าพลาาังห้ากำลังหา้านี่ฉันฉันท้าวิทยากิดตันี่มังขาเนี่ยฉันท้าพอตายที่จะแต่ที่จะถอดจะถอนวิริยะเพียรเสมอไม่ถอยน่ จิตตะไม่กิจทางเหอนีไม่สติขางเหินจากหน้าที่การงานทั้งตนนี่มังสาทำอะไรอยากให้ขาดปัญญาพิจารณาขั้ส่วนเสมอเนี่เดี๋ยวอธิบายสิ่งที่สมตามคองหมู่งหมายเนี่ยจะเปอธิบายสิแต่เราไม่สามารถใครจะสามถเราถอนทุกไม่ได้จะให้ใครมาถอนให้เราเราต้องคิดถึงเรื่องอัตตานิสโนนาโผซึ่งเป็นคำจริงร้อยปอร์เซ็นหรือความจริงสุดส่วน สุดท้ายเราต้องอัตตินโนนาโถการพูดปฏิบัติผูวาจารย์พูดแนะ น, นําสั่งสอนได้ตามพระพาทธเจ้าสั่สอนด้วยว่าตุมให้จะจิตจังอาตตังอาคาตโลทารตาการประกอบความข้าเพียนเพื่อถอนตอนให้พ้นจากทุกข์นั้นเป็นเรื่องขอ ง, ขอ ง, ข, องของท้องทันทั้งหลายทําเองพระพุทธเจ้าทั้ทงหลายเป็นแต่เพียงผู้ที่บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้แก้ที่เหลือให้นั่นฟังได้เมื่อได้อุบายจากท่านแล้วก็นําอุบายนั้นเข้าไปช่วยตัวเอง นักก็หนักเบาก็เบาเป็นก็เป็นตายก็ตา ย, ตายไม่ต้องถอยชื่อว่านักรบไม่ใช่นักหลบนักหลบเป็นอยังไงนักรบเป็นอย่างไเนี่นนยมีตรหลบตลกใช่ได้ยังไงหลบหน้ากิเลสมันจะลบไปไหนกิเลสอยู่ที่หัวใจฟาดกันทํามันแหลกจะเป็นแหลกลบไปไหนก็ไม่พ้นกิเลสถ้าหลบหลบแล้วต้องตายเพราะกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าสู้กิเลสแล้วกิเลสมีวันตายเราจะเอาเราจะเอาแบบไหนนี่อุบายทิธีแก้ไขตนเองคลิกแแพงปแปลงให้ทันครับเหตุการณ์ดูว ยิ่งเวลามันจนกรอบจนมุมมันฉลาดเองพราัญหาต่างออกคนหลับอยู่เฉยมันแบบมีแต่กินแล้วนอนกอดแล้วมินอยู่นั้นมันไม่ประโยชน์สติปัญญาไม่เกิดลวลาจนกรอบเปนมุมมันเกิดเท้าบาดทิพย์แยงแยงแยงแก้ไขของจี่เรียกว่าปัญญาต้งแยงกินไม่ได้นอกจากสะมาใช้นั่นสิ่งที่ควรจะตนแก่ฐานะของตนฐานะเองปัญญามีฐานะทางพิจารณาสอบสรองมองดูเหตุผล ดีชั่วไ้่ควรจะกดเครื่องแก้ไขด้วยวิธีหรือเลืออาการใดนี่เป็นเรื่องของปัญญาสติเป็นผู้ควบคุมงานให้ทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอในการประกอบความภาคเทียนมันไม่มีอะไรจะสงสัยเรื่องเกิดต้องตายออกจากภพนี้จะกลับไปพพหน้าอาวิชชาพา้ไปนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้เรียนเข้าให้ถึงเราจะรู้ว่าอาวิชชาเป็นตัวรงจับสําคัญ ถ้ไม่ถ้าไม่เห็นแล้วงมเมาอยู่นั่นแ่ะตัวเกิดมาก็เข้าใจว่าตาแล้วมันสูญมันสูญมันสูญไปไหนพูดเรื่องศูญสูญด้วยคำมืดดำคำรรตาต่างมืมดบอดตา่างไม่ใช่พูดด้วยความรู้ด้วยปัญญาได้พิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมาพูดของูู้ที่เจ้านั้นหาที่ค้างไม่ได้อวิชชาจตาเวบาเชสเชสเย า, า, ารามีอาเชสสเบาและมีโลธาตั้งฆาดาในโลกตั้งฆาาโลทาวิญญาณในโลกอ่านเรืย พอวิชาดับเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นดับดับดับดับไปนิโรโอโหอติดับสนิทไม่มีเหลืออะไรเหลืองสุดท้ายนั่นคือความว่าจะตายอยาสัจจานี้ดูข้างอายสจัจจงสมุติมุติอะไรอายะจังนิโรโออายสัจจังนมีปฏิปทาอายสัจจังนี่คืออาสัจนะวิชาปัญญาแล้วอยู่ที่ไหนเวลานี่วิชาปัญญา ทั้งข่าราทั้งอ า, ารย า, ญญาลิยานังยที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ดวงใจของเราเนีอยู่ที่ไหนนี่แหละอเลียศาสตร์อยู่ที่ตรงนี้เรียกอเลี่ยนศาสตให้มันถึงนี่เมื่อถึงแล้วก็รู้เรื่องพบเรื่องชาตจะไม่พ้นไปจากษดวงจิตที่กลมคืนกับวิชาพาให้เกิดให้ตายพบน้บอยพบใหญ่ยอยู่นี่อยู่ไม่ถอยนี่ดูอย่างเด่นเด่นภายในหัวใจนี่เวลาตัดหาจากกันทางธารความไม่มีอะไรเหลือเหลือจะจิตบริสุทธิ์รุ่นรแล้วไม่ต้องไปถามพระพุจเจ้าเลยถามทําไมความจริงเป็นอันเดียวกันเหมือนกันถามกันังนี่ ยกตัวอย่างเช่นท่านยัตราชพิขุกกาลังจะทูลถามพระเจาเกี่ยวกับเรื่องวิชาเนี่ยธรรมะท่านสูงและละเอียดพอแล้พอเพื่อนไปจะไปทูลถามพระพรมทิชย์ไปยินฝนตกพอเดิไปถึงใต้หลุมพระสารกรรุธฝนตกก็พิจารณานเรื่องสำคาญกับเรื่องน้ำที่กระทบกันตั้งเป็นฟองเป็นฟองขึ้นมาระดับไประดับไปแะดับไปมันไม่มีอะไรแล้วก็มาเทียบเรื่องความคิดความตุงปุงได้ ปรุงดีก็ดับปรุงทั่วก็ดับปรุงเรื่องอะไรในดับดับเกิดขึ้นมาจากไหนอันใดเป็นสาเหตุที่พาให้อแล้วผักดันทั้งขันแบบนี้ให้คิดให้ปรุงอยู่มาอยู่ไม่ถอยค้นลงไปคนไป้คนแต่ก็เจอวิชาหมดพอเจอแล้วก็สรุปทับเดี๋ยวเทนั้นวิชาขาด ก, กระเด็นเลยไม่ทูลถามพระพุทธเจ้ากับพระพุติเฉยอย่างช้ำบายหายห่วงนะนั่นละความจริงเป็นอันเดียวกันถามพระเจ้าก็จะได้อะไรมา ไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้านะความจริงเขาองค์สอนมาแล้วทุกแย่ทุกหมุมทันทิทีโกจะพึงเห็นเองปัจจตังเวส บ, บูมิยหิผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะพึงดูโดยลาพังตนเองี่ยโดยเฉพาะผู้ปฏิบัตินั้นเท่านั้นเนี่ยก็บอกไว้แล้วไม่จําเป็นต้องมามาถามมาถามขอเพราะความจริงประกาศสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมให้รู้ดังภาษาที่บท่านพูดถ้าตาบอดหูหงอกข้าถาว่าท่านตุมดูหมิ่นเกียรติามพระพุทธเจ้า ว่าเราเชื่อความจริงเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าให้ยิ่งกว่าความจริงหวางนี่ฮนะความจริงใดถ้าเรายังไม่ถึงจะก่อนความเชื่อนั้นเขายังไม่เต็เมเต็มหน่วยแนมะ้จะเชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างไรก็ตามความเชื่ออันนั้นก็เป็นความเชื่อคาดทะเนเดาออกยังไม่ถึงความจริงแล้วไม่จะดะ่เป็นความเชื่อที่เป็นตัววนะ่าเราสมกับฟังพระพุทธเจ้า ประสงตามบอดพุทธชนจะว่าไงพระภาษาที่บุตรว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพราะองค์รับสั่งมาให้เข้าเฝ้าการรับสั่งพุทธเจ้ามีความหมายนีไม่ใช่แบบพระองค์ไม่เชื่อภาษาริ่บุตรเราทำไมาจริงมาที่นี่มีที่ ม, ทมานะกับเราหล่านี้พระอคไม่มีอย่างนั้นอาศัยเหตุนี้เท่านั้นกรลักสั่งให้ภาษาที่บุตรเข้ามาเฝ้าแล้วทรงรับสั่งถาม หลายพระชาบุญได้ราบว่าเธอไม่เชื่อเรายิงหมายยิงพระเจ้าค่านะน่ะไม่เชื่อเราเพราะเหตุดานหะนักต่าง่งพระพุทธเจ้าถามหายตัวนี้ไม่เชื่อในเรื่องหลักธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสองนไปแล้วข้าพระองค์เชื่อด้วยเพียงการดุจดาวเท่านั้นยังไม่ถึงความจริง ต่อเมื่อข้าพระองค์ได้ไปปฏิบัติเห็นตามความจริงแล้วเพราะข้าพระองค์เชื่อความจริงนี้อย่างเต็มใจการเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างเต็มใจเต็มหัวใจที่การเอาละน่ะถูกต้องแล้วสาธุทำเราสาธุสอนไม่เพื่ออย่างนั้นในทำขั้นละเอียดก็อย่างการพรสงแสดงแก่การามาการมามชนเพือแสดงยก กาลามาสูตรเพื่มาแสดงแก่กาลกามาชาติว่า อ, อย่าเชื่อโดยทจกเชื่อตำหักตำราย่าเชื่อครูบาอาจารย์ที่ควรที่ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อย่าเชื่อคนที่ถือว่าควรเชื่อได้แล้วก็อยากเชื่อนั้นเชื่อนี้เชื่ออยากเชื่อไปเลยให้เชื่อตัวเองเนี่ยสุดท้ายแล้วถนัดเชื่อตัวเองก็หมายถึงทำบทนี้เองแต่ที่ผู้ที่ฟัง ผู้ที่อ่านทั้งหลายไม่ได้คิดถึงทาบทนี้เพราะไม่เคยเห็นทาบทนี้ไม่เคยรู้ทาบทนี้ประจักษ์ใจเลี่อยเท้าเวอ่าวัลบุริยไม่ให้เชื่อต า, าลาักตำนาแล้วท่านสอนโลกแล้วอยากทำํำไงวะกับตำนานนี้ก็เป็นตานาที่ถูกต้องเรียกว่า ส, วสา่วนขาตะทำที่แต่เราชอบแล้วจาลึกลงในความมีโบราณก็ดีสอนคนก็ดีก็สอนเพื่อให้เข้าถึงความจริงแล้วทาไมไม่เชื่อตำลาักนี่คิดไปอย่างแั้นเสีย นันหมายที่ที่ว่าไม่เชื่อตํานาก็หมายถึงทําขั้นนี้ต่างหากไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์แม้พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้เชื่อในทํากันนี้ให้เชื่อตัวเองด้วยความรู้ความเห็นของตนเองนั้นจึงเป็นที่ไว้ใจตัวเองได้อย่างสมบูรณ์พระพุทธเจ้าทรงรับรองได้เราพ่อเรารับรองเราแล้ ว, ลวด้วยความสมบูรณ์บริสุทธิ์เป็นที่นั่นเอาตรงนี้ต่างหากเมื่อเราถึงขั้นนี้แล้วต้องตัวเองต้องเชื่อตัวเองงเรียกว่าปัดจัดตังเม หรือฉันธิติโกรู้เองเห็นเองเชื่อตนเองได้เป็นอันดับหนึ่งเชื่อครูบาอาจารย์สง่าซึ่งเป็นแนวทางที่ได้เข้ามาทําถึงทำขั้นนี้นั้นเป็นอันดับสองเมื่อเข้าถึงขั้นนี้แล้วอันนี้เป็นอันดับหนึ่นี่ที่แสดงในกาลามสุแจกกาลามชนพระองค์ทรงมหมายดินนี้ เราจะเห็นได้เวลาการบรรชนฟังเทศตำแหน่งเมื่อฝนนิพพานตั้งมากมาแกลองก็เพราะเขาต้องควรแต่ทาขั้นนี้พระองค์เรยดจึงทรงสอนอย่างนี้เขาจสอนแบบกลุ่มแบบจเจ้าคนอิตาสีตาสาวรู้อะไรไม่มีอุปนิสัยพอที่จะรูปแจ้งเห็นจริงกับธรรมที่พระองค์สอนในขั้นนี้แต่พระองค์สอนแบบต้นดบบ น, นั้นเป็นไปไม่ได้นะเราดูผลที่พระองค์สอนที่พวกก า, รรามารรชนทั้งหลายนั้นได้ตําเน่งเมื่อผลนิพพานมากน้อยเสียนหนามันก็เหมาะสมกับธรรมที่พระองค์ทรงสั่สอนอย่างนี้มีคำเหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่สั่งสอนเนี้ยลงทําลงไปให้มันเห็นความจริงในตัวเองเมื่อเห็นความจริงในตัวเองอะไรแล้วมันจะปล่อยปล่อยปล่อยป่อยหมดกังวลหมดกังวลไปเลยอย่าลืมว่ากิเลสเป็นภัยต่อเราอยู่ตลอดเวลาทุกอุบาบททุกอาการแห่งความเคลื่อนไหวของกิตที่คิดออกมาเพื่อสิ่งใดส่วนมน้าใครมีสติจะมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทํางานทั้งวันทั้งคืนเดินเดินแล้วนอนและทุกขณะจิตถ้ามีสติปัญญาห้ามหันกันอยู่ตลอดเวลาแล้วนั่นแหละทําทํางานแล้ว ไม่ใชจจ่กิเลสทํางานทําทํางานเพื่อมากเพื่อผลและถอดถอนกันหน้าโดยลำหนักลำหนักจนกระทั่งถอดถอนได้าดูชิ้นเคยไม่มีสิ่งใดเหลือเอาให้จริงจังนะักปฏิบัติอย่าท้อถอย อ, อย่าอ่อนแอไม่ใช่เรื่องขอ ง, งธรรมพรผูุ้ทธเจ้าเป็นตู้เป็นอกพระองค์แรกที่ยูที่เป็นตัวอย่างของโลกทั้งความภาคเพียงทั้งความอดทนทั้งความเฉียวฉลาด ทั้งเป็นความเป็นนักต่อคู้ไม่ใช่นักล่าถอยเราเป็นกิจตถาคตแม้มาเห็นองค์พระศาสดาก็ตามธาารรมมันธรรมะปฏิปันโนโหติผู้ใดปฏิบัติธรรมทุก <c oughs> คนจะทําผู้ชื่อว่าผู้นั้นบูชาเราตถาคตด้วยการปฏิบัติและเป็นผู้เดินตามสถาคตไม่จําเป็นจะต้องตถ า, าคตพระเดินว่าเดินก่อนเดินหลังไม่สำคัญพระเจ้าพระพุทธเจ้าไปนิพผานนานไปแล้ว ไม่ยมีความต้องการอะไรกับความนานไม่น่นเป็นการเวลาซึ่งเป็นูงอิญสต่าการปฏิบัติตามหลักแห่งมัชฌิมาปฏิบัติธซึ่งเป็นธรรมสูงกลางเหมาะสมกับการแก้เิเลยดทุกประเภทให้ถูกต้องเหมาะสมนี่แหละเป็นการตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยลํำดับๆจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้ทันท่วงถิให้สิ้นชีวิตเมื่อไหรก็กูลนั้นแหละได้เข้าเข้าพระพุทธเจ้าเต็มองค์เห็นนถาคตรเต็มองนางทำท่านว่า ผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นหนาตถาตกฎความหมายคืสัจจะธรรมนี่เริ่มเห็นในเบื้องต้นตั้งแต่สมาธิไปก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าแล้วสมาธิขั้นหนักลงไปก็เริ่มเห็นทัดขึ้นปัญญาก็ดาเนินทำปัญญาก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งปัญญาเต็มภูมิถอดถอนกิเลสออกหมดโดยสิ้นเชิงเห็นพระพุทธเจ้าเต็มกระอกพระพุทธเจ้าไม่ใช่รูปร่าง อันนี้เป็นเรือนร่างของพุทธะของพระพุทธเจ้าอันแท้จริงต่างหากซึ่งเือนเหมือนกันพวกเราภาก4สี่ขันธ์้าองค์พุทธะแท้คือความบริสุทธิ์ในพระทัยของพระองค์นั่นละที่ว่าเห็นตาข้าพตเห็นที่ตรงนั้นไม่จะเห็นที่ตรงไหนอ้าวคุณ ร, รู้ไหมรู้ชีวิตแม่อ่ะคัญญัร์อธิบา ย, ย อ, า อ, าอยู่ก็พอมาภาวนมาอยู่ละอี พอไม่ยุ่งเท่านั้นมันก็เป็นอารมณ์มันมันก็ตั้งหน้าทำงานเป็นอีกเนี่ยพอเขเผลอเก็เป็นอีกเผลอเลิ่กไปกยุ่งเนี่ยพยายาีกเป็นบ้าเาอีกอืงจะเอาให้เป็นน้ํานอีกเป็นนั้นอีกให้จิตได้ไปยุ่งนู่นแถวไม่เข้าทำงานตามหกความจริงมันก็ไม่ได้เลือก่องเวลาออกปฏิบัติทาง น, นี้จะไม่เอาอะไร มีหนังสือปฏิโมกต์เล็กๆปฏิโมกขอกหนังสือพกเหมือนปฏิสิณพกติดย้ำอันเดียวเท่านั้นนี่เอากันละทีนี้ติดดวงนี้เอาให้ได้เราเห็นมอกงสามผมไม่แน่หนีมเล่นใหญ่เลยทั้งวันทั้งคืนก็ดีไม่ได้มีงานอะไรมายุ่งอย่างนี้นตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติมาเป็นเวลาเก้าปีเต็มเนี่เยี่ยวดตรุมบอนกันเลยเจ้าไม่มีงานอะไรมายุ่งเราได้ มีตำแหน่งที่ภาวนาอย่างเดียวไม่ไปอยู่กับ ว, วัดที่อาจารย์ก่อสร้างเพราะเราไม่ชอบมันขัดา ง, งานของเราประกอบคำมิสัยเราเป็องนั้นถ้าทําอะไรทําอย่างนั้นจริงจิงพอปล่อยก็ปล่อยจริงจริแต่ลูกบอล น, นันก็ไม่มานานนะร้านเดือนกว่าแล้วนั่นได้หลักที่หนึ่ แลกกันได้บ้างเสียบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเรื่อยๆต่อไปกันได้ได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ทุกขืนได้ทุกวันทุกเวลาเป็นแน่วแน่จิตแน่ฝืนเป็นสมาธิแล้วก็รักษาไม่ได้รักษาไม่เป็นไม่รู้วิธีรักษาเถอตัวมาทําขดหลังหนึ่งพอทําขดยังไม่เสร็จจิตเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเพิ่มเลยพอทําขดเสร็จ ถึง ข, ขนาดนั้นเสื่อยังไปงเสื่อมลงไ ป, อองไปจงกระทั่งไม่มีอะไรเหลือในตัวเลยมีแต่คุณแต่ไปร้อนไม่มีใครที่จะร้อนยิ่งกว่าผู้ปฏิบตัติซึ่งเคยได้ผลมาแล้วแต่เสื่อมไปเทียบแล้วเหมือนกับคนที่มีเงินเป็นจำนวนล้านลานแต่ได้ล่มจมเสียด้วยเหตุใดเหตุนหนึ่งแม้เงินอยู่ในธนาคารที่ฝากเอาไว้ริ้วอยู่ในบ้านในเรือนมีเป็นแสนแสนก็ตามเงินเหล่านี้ไม่มีความหมาย น่นมันเป็นมีความหมายอของเงินที่สูญหายแต่แล้วน่นนั่นละที่ทําให้คนนั้นเสีย อ, อกเสียใจจนแทบถึงบ้าไปบ้างนี่แต่จิตไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เคยมีสมาธิไม่เคยเป็นอะไรอยู่ตามภาษีภาษามันก็เหมือนกับชาวบ้านเขาที่ไม่มีเงินถึงหมืนถึงแสนก็ตามเขาก็มีความสุขยิ่งกว่าคนที่มีเงินเป็นล้านแต่ล้มจงไปเสียด้วยเหตุและเหตุนั่มากมายก็มีความสุขกว่ากันอย่ากนาก ทีนีผู้ที่ภาวานาจะไม่เคยเห็นจิตนะครับความสงบได้เป็นหลักเปนฐานพอเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอบกลืจิตใจให้เกิดเป็นความอกุจาร่างกายมันก็ดูที่นี้ไปดูได้ความเพียนกับขี้เกียจนะมันอยากทําความภากความเพีย้ยนขี้เกียจพอยังไม่เคยเห็นผลพอปรากฏผลแล้วความเพีย้ยนก็ขยับเข้าขยับเข้าทนายสารเป็นมุกเสื่อมอย่างที่ว่า ความเสื่อมนั่นแหะทําให้เราประจักษ์ใจในวันทกวันนี้ไม่ตืดไม่จาเลยเสื่อมจนขนาดที่ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเพียงเข้าได้เข้าสงบบ้งางไม่สงบบ้ง า, บ ง, าบงรีบออกไปเอาแล้จนไม่มีอะไรเหลือเลยไม่สมบงบยานี่มีแต่ฟืน้นแต่ไปเผาเมว่อใจพอเพราะเสียดายจิตดวงนั้นเป็นปีนะนานเล่นเล่นนะมันเสื่อมลงไปไม่นาน่ะจอมเวลาเสื่อมไปเราต้องปี น, นก็ไม่ฟื้นให้ เราจะฟื้นก็เพราะโบกอารมณ์ปัจจุบันภาวนานแต่พุโทโธทนั้นจิตนั้นจะเสื่อมไม่ได้เสื่อมไปเถอเราได้ยิงวันเราได้ขอน้องขอแล้วนั้นความหอมองใยเสียดายก็แคบเป็นแคบตายก็เห็นได้ผลอะเลยทางนี้ปล่อยทิ้งถ้าเสื่มก็เสื่อมไปแต่พุโทโธเราจะไม่ละเราชอบพุโทโธเราภาวนาพุโทโธไม่ยอมต่อยอยู่ที่บ้านนาสนวันตอนออกวัดบารมีเจดียอยู่กับท่านอาารมั่น ข้าวิวัดย่างเขาสามองค์เป็นเล่งภ า, าวนาพุทโตตอนนั้นท่านไปปล่อยศพทานอาจารย์เสาถ้าเราเข้าวะเราก็ยิ่งสนุกเล่งความเพียรเสื่อมก็เสื่อมไปครา้งนี้เรียกว่าทอดอะไรตาอยากหมดแล้วจะเอาตั้งแต่พุทโธเสื่อมก็ไม่ปล่อยพุทโธไม่เสื่อมก็ไม่ปล่อยพุทโธจเจริญแค่ไหนก็ไม่ปล่อยพุทโธทีนี้เราเคยปล่อยปแล้วต่อการนั้นๆมิจะพุทโธเลยอยู่ทุกอียาบทไม่เถือ อักขวาลรานวาดนานมาทำอะไรนี่จะพุธทธท้องติดแ น, น่ที่มันก็ค่อยสงบเข้าสงบค่อยลดลนได้ที่ๆอิ่มสงบลงแน่ห่างก็ได้แล้วทีนี้พอถานขึ้นมากเอาอีพุธทธท้องอเข้าไปอัดเข้าไปไม่ถอยเอาจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมจนกระทั่งติดขึ้นถึงขนาดที่เคยเห็นอ่ะมันจะเสื่ อ, ไ ม, อ, อไมไม่เสื่อมก็ปล่อยเนี่ยไม่เสียดายไม่เสีสยใจไม่ผีใจกับความเสื่อมความเปลี่ยนขึ้นแต่พุธทธทจะไม่ยอมต่อ อยงนี้ผู้โทรไม่ถอยเยิ่มันเลยไม่เสื่อมคือเราถึงรู้ว่าอ๋อนี่เป็นเพราะจิตมันไปคาดหมายสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่ทํางานตามหน้าที่ของตนต่งนางๆมันถึงได้เป็นอย่างนั้นนี่พอตั้งหน้าทํางานกับผู้โทรจิตมันไม่เผยจากหลักที่จะให้เจริญ ม, มันก็เจริญขึ้นมาบ้างนะรู้แล้วหลังจากนั้นแบบเอากป็นย่งหนักนะโอ้ไม่ทราบเปงไงมัน โมโหจะของเครียดแค้นจะของนี่ถ้าว่าเป็นแบบคารวาสหรือเป็นอะไรถ้าลงในเจ็ียดแค้นในคนขนาดนั้นยังไงก็ต้องฆ่าคนแน่ๆ น, นี่แหละความเครียแค้นมันถึงขนาดนั้นพอได้ที่แล้วเอาคนหนั ก, กหรือเอาทิพย์พาวนี่มาเล่งกันใหน่เป็นก็เป็นตายก็ตายไม่เสียดายชีวิตนี้เพราะเคยทุกข์เพราะความเสื่อมของกิตนี้มาเป็นเวลานานแล้วแล้วเห็นประจกักษ์เหตุหลากที่สุดแล้ว ห า, ากจะเสือ่อมคราวนี้ขอให้ตายซะเลยดีกว่าตายจะาเพิ่มมันกัความเสื่อมดีกว่าที่มันยังเป็นมนุษย์แบบไฟอยู่ยมันถุหงองูพันองใจดีกว่าจึงเป็นเหตุให้คิดถึงพระโพธิกัที่ท่านจเจริญชาละเสะเื่อมเจริญชาละเสื่อมถึงห้าผลผลที่หกคิดว่าจะฆ่าตัวตายนี่เข้าจะเข้าได้เลยเข้ามันกับเราได้เพราะมันเสียใจขนาดนั้นแต่สุดแล้วสุดท้าท่านก็พระโคติกะดท่านก็เป็นพระราม ที่นาตรงตกตอนจะค่าตัวเองในตรงตกตอนนั้นในบนรรลุพระอรหันขึ้นมาเลยลเราถึงได้เฉดนั้นมาถึงไม่เฉื่อมเลยจริเฉื่มอมไม่ได้ความระมัดระวังรักษาตัวเองนี่เป็นยอดของตัวเองปุ๋ยงานคือมันเข็ดความเข็ดนั่นแหละมันพายไม่นอนใจไปอยู่ที่ไหนไม่สะดวกในความเป็นหนีทางทีนี่ไม่เอาใครมาเป็นอารมณ์ไม่เกรง อ, อกเกรงใจใครแต่งงาน นีมวลไปฉันที่ไหนไม่ไปไม่มีใครมาช่วยเราเวลาเราจมไปไม่เห็นมีใครช่วยเราเคยจมมาแล้หกหนึ่งแล้วเป็นเวลาทั้งปีนี่เอาเนี้ยเป็นหลักใครนีมวลฉันในบ้านในเรือนที่ไหนไม่ยอมรับเลยเอาขนานั้นแต่นั้นมันก็เลื่อยเลื่อยเลื่อยเื่อยสิ้นแน่นเหมือนแต่หินเนี้ยเรื่องสมาธิเต็มที่ถึงห้าปีเต็มเต็มมาห้าปีหกปีหกปีไม่เต็มนะ แต่ห้าปีมันเป็นเป็นิตเป็นสมาธิข้าได้ทุกเวลาอยู่ที่ไหนมันเป็นสมาธิอยู่แล้วจําเป็นอะไรเข้าหรือไม่เข้ามันเป็นเหมือนกระถิ่นอยู่แล้วอยู่ความมั่นคงของจิตในฐานสมาธิชัดเจาะอยจากนั้นที่ไ้ถูกให้การใหญ่ท่านอาย์มั่นนี้เขตออ่ตัวจากนั้นึ่ะถึงเรื่องการพิจารณาอันที่ได้ออกพิจารณาพอพิจารณาเนี่มันก็รวดเร็วนี่พอสมาธิมันพร้อมแล้วนะ ก็อาพิจารณานะครับหมุนติวต้วติว้วติ้วคราวนี้มันก็เหมือนกันเป็นไฟเลยเรื่องจิตปัญญาทำความเพียรลืมหลักลืมนอนฉันนอนมาห่อยสองคืนสองคืนพวกนี้แทบเป็นทแทบตายทีนี้มันเพลินอันนี้มันเป็นด้วยความเพลินในความเพียรเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากลางวันเดินจนกองมัน่รู้จัดหยุดจัดหย่อนคที่ิจารในตลอดเวลา แดดเปียงเปียงเนี่ยนโอ้โหไม่นี่รู้สึกว่าร้อนอะไรใจไม่จะน็อกส่งมาตามดิษฐ์หาดิษฐ์ซากันน่ะนเรื่องความเปลี่ยนไปนั่นบางต่วนมันมนลำบากเอาให้ดีหมุนเอาลงไปสู้นักสู้ ต, า, า, ตายเขาตายตายเพื่อบูชาธรรมเป็นอะไรไปวะยังมีชีวิตอยู่ร้อยปีพันปีไอ้บูชาที้เหร่มันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไร ตาด้วยการบูชาธรรมนี่มันเลิศนะฮะตรงนี้เป็นหลักใจขอให้เห็นที่ความจริงอยู่ภายในจิตทุกองค์นะวันนิพพานนิพพานจะอยู่ที่ไหนขอให้จิตบริสุทธ์เธอรู้เองไม่ต้องไปถามใครนิพพานคืออะไรก็รู้เองถนะ้าตื่นเงาเอาลงในก็องค์คัจธรรม ตัวนี่เป็นตัวสำคัญมากในวงจาสนาธรรมที่มันปิดอย่างนี้ทิ่มือแปดที่แปดได้คือตัวสมุนไพรทางมาัดษาเพราะว่าศ า, า, าสนาวิวาสศาสาและคาถาสามโมหะเหล่านี้เรื่องของสมุนไพรฉะนั้นความคิดความปรุงออกมาจากสิ่นี้เป็นผู้ขัดกันให้คิดให้ตื่นจึงเป็นเรื่องเป็นาราวเป็นเส้นเป็นสายยาเวเหยียดไปจนถึงเส้นสมุนไทยแล้วก็มาพันตัวของพันตัวของให้เป็นฟุนเป็นไฟไม่เฉลียวลาบเหลือความทุกข์ร้อนเพราะวิวาสตามันเผาล้นตัวเอง ความทุบร้อนความทุบพราะประกอบความเพยียรทุบที่ร่างกายร่างใจมีความกระอยุต่อทําเป็นนักสู้สู้มัแบบมันจะถอยถอยถึงขั้นถึงขั้นมันจะถึงหนองอ้อมันอ้อสุดมากคาว่าหนองอ้อะก็มายถึงอ้อภายในจิตนี้เองหนองอ้ออ้ออย่างนี้เหรออย่างนี้หรือความจริแต่ละขั้นละขั้นแสดงวอ้อย่างนี้เหรอนะรู้เองชัดเองชัดเองพูดถึงเรื่องเกยวกับจิตเสื่อมจิตเนื่ก็เหมือนกัน พอเวามถึงขั้นมันทรบเอยเออย่างนี้ที่ไม่เสื่อมมันรู้เลยบันทีนะไม่มีใครบอกเขาตามรู้ทัดตอนที่จะรู้ก็เอาันขณะเอาันอย่า ง, น, า น, างนั่งถาหมุนขาข้ามเหมือนกันตอนมันจะได้หลักเกียรอย่างประจับนะเอา อ, อย่ากนี้เหลือไม่เสื่อมที่นี่นะแน่จริงมันรู้ชัดเดีย๋ยวนี้ก็ะปิง ไ, ไปกระปิง ไ, ไป แล้วตกมาลงปีนไปตกลงปีว่าโตลงมาคือมันเสื่อยมันก็เลยมีคามขั้นขอมันขั้นยากก็เสื่อยตามความยากของขั้นขั้นละเอียดก็เสื่อมเจริญเสื่อยเจริญตามขั้นละเอียดเนี่ของธรรมไม่ใช่เสื่อยแบบขั้นต่ำหากรู้สติปัญญาทํามจะไม่รู้มันไม่ถนัดนะครัเจริขึ้นเสื่อยลงเจริญขึ้นเสื่อยลงพิดแพงเปล่ยนแปลงกันไปกันมาพอได้ที่ปั๊บปิดตึกเออต้องอย่างนี้แน่เงี้ยงั้นแต่จะมาคาดนะที่พูดอย่างนี้ ให้เป็นระดักของชาติเองอย่าไปฆ่าเป็นหมาอย่าข่าหมาเป็นเลินกาทำเหล่านี้ไม่ใช่ทำฆ่าหมานี่ยนี่เป็นผลของการปฏิบัติตา่างๆให้เล่งทางหน้าปฏิบัติการพูดว่าเออไม่เสื่อมนี้เป็นผลอย่านิสอันนี้ไปเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่ อ, อ ก, การดาเนินทัุกตกงานที่ควรจะทําให้เป็นไปเพื่อขั้นนั่งๆจะไปในรอดท่านเคยบอกไว้เสมอนิสัยของผู้ใดเป็นยังไงก็ตามเรื่องสมาธิความสงบของจิต สงบยังไงให้รุ่นในตัวเองอย่าไปยึดเอาของใครมาเป็นสมบัติทั้งตัวอย่าไปเอาอยางใครทั้งหมดลรงเร่นเราได้ทำองค์สมาธิโดยถูกต้องเช่นเรากําหนดนี่ด้วยสติในทำบุตรใดที่เหมาะสมกับเราแล้วเราพิจารณาอย่างใดที่กรมปฎิของเราแล้วให้ดําเนินอย่างนั้นไปผลเกิดขึ้นมาอย่างไรเราไม่ต้องไปเอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นสมบัติทั้งตัวมันจะมาเป็นการทําลายมิตรใจตัวเองแล้วจะไม่ได้ผล ท่านอาายมั่นไม่มีใครสอนท่านบึกบุนโดยลำพังท่านแทบล้มแทบายทุกมากท่านทุกมากกว่าเราเป็นอย่างไราะทาทางไม่เคยเดินไม่มีใครบอกใครสอนเรายังมีครูบาอาจารย์ท่านคอยแนะนำสอนสอนท่านอจามีท่านอาารมั่นเป็นต้นเนี่ยนอธิบายวิธีรู้หงื่อรู้ราท่านเองไม่มีใครอธิบายท่านรูตาบุกบุนท่านเก่งถางต้นได้มีเราก็มีผู้แนะนาสอนอยู่แล้ว หน้าที่จะต้องแบบุทธปฏิบัติตามเอาให้จรินให้จริงฝึกขัดนิสัยให้จรินให้จั ง, อ, ง, จงอย่าเลาะแหละพระไม่ใจ่นิสยัยเลาะเพราะพระเป็นแนวหน้าถ้าพูดถึงการรอบก็ออกแนวหน้าเลาะแหละก่ได้เลยเให้จริงให้จังอยากให้หมู่เพือ่อนรู้ได้เห็นมีความดีเป็นคนเราฟังคนเดียวเหมือนหาเรื่องมาโกหกหมู่เพื่อนเล่นเปล่า ให้เห็นความจริงนะอยู่งยืนจันมีแท้จริงไนะหนอยความเพียรให้พอเถอะจะเห็นเป็นระยะระยะะยะไมว่าสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาจะฉลาดแหลมคมไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหมุนตัวไปเองตักกวกรองขนาดแล้วแหลมคม แ, แน่ๆไม่สงสัยอะไรถามมาพับรู้ทันปั๊บปั๊ปับปับปับปบปบปบ๊โดยอัตโนมัติไม่ต้องตั้ง อ, อกตั้งใจให้รู้ก็รู้พอสั้งขานความตรุงขึ้นภายในจิตใ จ, จก็เท่ากับ ตือนสติปัญญาปลุกสติปัญญาให้ตื่นในระยะอีกปกติสติปัญญาก็ไม่หลับอยู่แล้วตื่นเป็นชาคราชู้ตื่นตื่นอยู่ในทางมากท่านมหาสติมหาปัญญาเรียกว่าชาคะความตื่นอยู่ในทางมากพอถึงขั้นที่สุดที่จิตแล้วเป็นชาคราโดยหลักธรรมชาตื่นอยู่ตลอดเวลาความหลับควาหลับไปเรื่องทางหเร่องขันหลับไปเรื่องจิตบริสุทธิ์ตลอดเวลานั่นแหละท่านเรียกว่าตื่นตลอดเวลา ไม่มีการใดที่กิเลสจะเข้าแทรกแสงกได้พอให้เห็นเป็นเงาของสมมติแม่นนิดหนึ่งภาณิกดวงที่บรรจุนั้นเลยนั่นแหละท่านธรรมชาติอันนั้นแหละ ท, ท่านคิเชื่นท่านอยากว่าชาคราบมีกดนี่เป็นผลชาคราจิตหมายถึงจิตที่บริสุทธแล้วตื่นอยู่ด้วยความรู้สึกทั้งตนตลอดเวลาไม่คุ้นกับอะไรไม่ติดกับอะไรไม่นอนใจกับสิ่งใดทั้งนั้นโดยหลักธรรมชาติ เราไม่ต้องไปบังคับหวามาให้กุญธิ์งนั้ น, นให้กุญธิ์สิงนี้หาเป็นเองภันธุส่วนชาคาชาคาระบุคคลประเภทมากก็คือว่าดำเนินอ า, ารถรรพ์รรมะมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่มีครั้งมีเถอ่อหมุนตัวเป็นตียวอยู่นั่นเดยหลัธรรมชานี่เรียกว่าชาคาระในทางมากพอชาคาระนี้เต็มภูมิแล้วก็เป็นชาคาระสายผมดึงความบริสุก นั่นเป็นชาคณะโดยหลักธรรมชาตินั่นแหละที่บอกผู้เจ้าผูต้ตื่นอยู่ตื่นชาชาชาพยายามนโยคประกอบความเพียนของบุคคลผูต้ตื่นด้วยสตินะั่นท่านบอกอีสตินันนะเท่านี้สติไม่เรียกว่าตืชาพยายาบุคคลผู้ ต, ตื่นในทางความเพียนด้วยสตินะฝึกกินเป็นของฝึกได้ คือไม่ได้ผู้ริยาเป็นศาสดาไม่ได้สาวกเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วท่านสอนมาลองมาทำไมท่านเมื่อแน่แต่ท่านฝึกแล้วาาทั้ทงนันนง้นอุบายวิธีต่างๆเป็นรุบไยท่านเดินตร ง, งสุดพระมาพอแล้วจึงไม่มาสุดพวกเราจิตเป็นของสุขได้จิตเป็นสมบัติสองเจ้าสองเจ้าของเวลานี้เราจะแยงออกมาเป็นสมบัติของเจ้าของคนเนนนดียวในขณะเดียวกันที่รูความเป็นนเราจะไม่สามารถมันเป็นสมบัติของยิ่งเละอยู่โดยตัว แล้วนี้กําลังยื้อแย่งแข่งรีกันสู้กันด้วยความทักเทียนด้วยสติปัญญาใครเฉลียวฉลาดก็ได้จิต ด, ดวงนี้มาครองเมื่อได้จิต ด, ดวงนี้มาครองก็เป็นจิตที่บริรสุทธิ์กิเลสอะไรคราวม่ดจนเกิดตกกับโสมง ม, มทั้งนั้นแสดงอาการออกมาในกายาทางจิตกิเลแสดงมาทางวาจาทางกายอื่นด่วนแน่ทันจะออกมาจากความตกปกโส ม, มมของกิเลสทั้งนั้นนักกิเลสเป็นเจ้าของของจิตจิตเป็นของเป็นสมบัติของเจ้าของเพราะมันจึงแยกเนี้ยอันนี้ ต่อสู้กันเพื่อแก้ถอดถอนสิเลตออกหมดให้จิดนี้มาเป็นสมบัติของธรรมเป็นสมบัติของเราแต่ผู้ เ, นนเดียวนั่นแหะเรียกว่าถึงแก่นกระแสอ่ะธรรมาสุบาษิตั่นทั้งนั้นอบบนี้ยูแลที่